จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราชส5 5พเป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจ มาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีเพราะมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในกฎแห่งกรรมเพราะว่า เป็นความจริงที่ตายตัวไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามความจริงนี้ย่อมเป็นไปเสมอถ้าทำดีก็ต้องได้ดีถึงแม้จะไม่เชื่อก็ตามถ้าทำาชั่วก็ต้องรับเคาะกรรมไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญ แต่ถ้าเชื่อก็จะได้ทําแต่กรรมดีเพราะคนเราไม่ต้องการรับผลที่ไม่ดีไม่ต้องการรับเคราะห์กรรมต่างๆทุกคนต้องการความสุขต้องการความเจริญดังนั้นถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมเราก็จะทําแต่ความดีเราจะละเว้นจากการกระทํา บาปทั้งหลายดังนั้นเวลาที่เรามีความสุขมีความเจริญก็ขอให้เราทำความเข้าใจว่าเป็นผลของการกระทำความดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะไปลบล้างให้มันหายไปก็ไม่ได้มันต้องเป็นของมันไปส่งผลไปจนกว่า เหตุนั้นจะหมดไปเหมือนกับไฟที่เผาไหม้อยู่มันจะเผาไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าเชื้อเพลิงจะหมดไปฉันใดกรรมต่างๆก็เป็นอย่างนั้นผลของกรรมดีก็เป็นอย่างนั้นผลของบาปกรรมก็เป็นอย่างนั้น เวลาที่เราประสบข้อกรรมต่างๆตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนก็ขอให้เราคิดว่าเป็นวิบากกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตหรือในปัจจุบันที่ที่ผ่านไปไม่นานเพราะกรรมนี้ส่งผลได้เร็วและช้าขึ้นอยู่กับกรรมแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน กรรมบางชนิดก็ส่งผลเร็วกรรมบางชนิดก็ส่งผลช้าแต่ไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วก็ตามเมื่อมันส่งผลแล้วขอให้เรายอมรับมันยอมรับว่าเป็นผลจากการกระทำของเราอย่าไปหาวิธีสะเดาะเคราะห์กรรมด้วยวิธีการต่างๆมันไม่ได้เป็นการไป ดับกรรมดับผลของกรรมที่เราทำไว้มีแต่ที่เราทำได้ก็คืออดทนให้มีความเข้มแข็งพยายามรักษาใจของเราให้อยู่ปกติพยายามอย่าไปทำบาปทากรรมเพิ่มขึ้นมาในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเช่นถ้าเราเคยรักษาศีลห้า อยู่เป็นประจำก็พยายามรักษาศินห้าต่อไปอย่าไปละเมิดศินเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาของการตกทุกข์ได้ยากเช่นเราขาดเงินขาดทองเราก็ไปลักขโมยอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปทำเมื่อไม่มีเงินทองใช้ก็ให้ใช้ความอดทนอดกลั้นเอาไว้ วันนี้ไม่มีเงินใช้ก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกอยู่บ้านหาอะไรทำที่บ้านไปหรือหางานอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราพอที่จะทำได้พอที่จะมีรายได้ได้ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วคิดที่จะหาเงินหาทองในวิถีทางที่ไม่ถูกต้องอย่าไปทำผิดศีลผิดธรรม เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะมันไม่คุ้มกับผลที่จะตามมาเราจะกลับสร้างผลที่ไม่ดีที่เกิดจากการกระทำผิดศีลผิดธรรมที่จะตามมาในอนาคตที่ใกล้หรือไกลต่อไปเช่นถ้าเราไปรักขโมยเราก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปขังคุก ก็ได้หรือเราอาจจะถูกเขาทำร้ายร่างกายก็ได้เวลาที่เราไปลักขโมยแล้วถูกเขาจับได้ดังนั้นขอให้เราเชื่อหลักกรรมทั้งเหตุคือการกระทำและผลที่เกิดขึ้นเวลาเกิดผลขึ้นแล้วก็ขอให้เราทำใจไว้ทั้งผลดีและผลไม่ดี ผลดีก็ต้องทําใจไว้ว่ามันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดมันมีโอกาสมีเวลาที่ผลดีนี้จะหมดไปได้เช่นเดียวกับผลร้ายก็เป็นเช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็หมดไปได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันก็คือ ถ้าเราจะทําอะไรขอให้เรามีสติให้เราคิดเสมอว่าเรากําลังสร้างกรรมสร้างบาปเพิ่มขึ้นหรือเรากําลังสร้างความดีเพิ่มขึ้นถ้าเราสร้างความดีก็ขอให้เราทําไปเถอดเพราะไม่ช้าก็เร็วผลดีก็จะตามมาในปัจจุบันเวลาที่เราทําความดีจิตใจของเราก็จะมีความสุข สามารถมาลบล้างความไม่สบายอกไม่สบายใจที่เกิดจากข้อกรรมต่างๆได้แทนที่จะมานั่งกุ้มอกกุ้มใจเราก็ไปหาอะไรทํามีเวลาว่างเราไปเป็นอาสาสมัครรับใช้การกุศลต่างๆก็ได้ไปทํางานเกี่ยวกับการกุศลถึงแม้จะไม่ได้ผลตอบแทนมาก ทางด้านเงินทองแต่ผลตอบแทนที่เราจะได้มากก็คือทางจิตใจจะมาช่วยดับความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจให้หายไปได้ทำให้เราสามารถรับกับข้อกรรมต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่าอยู่เฉยๆ เ, เ, เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากพยายามทำความดี ให้มากไม่ว่าจะเป็นการกระทาอย่างไรก็แบบไหนก็ตามขอให้ทำไปเถอะอยู่ที่ไหนก็ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ช่วยเขาก่าช่วยเขาถูช่วยเขาทำความสะอาดช่วยเก็บขยะอย่างนี้ทำไปแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขจะให้จะทำให้รู้สึกว่า ความทุกข์ยากลาบากของเรานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญอะไรเลยเรากลับได้ประโยชน์จากการตกทุกข์ได้ยากเพราะทําให้เราสามารถทําความดีได้เมื่อเราทําความดีแล้วใจของเราจะมีความสุขความสุขของใจหรือความทุกข์ของใจนี้มีอนุภาพมากกว่าความสุขและความทุกข์ ทางร่างกายถึงแม่ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาต่างๆรุมเร้าอยู่แต่ถ้าใจของเรามีความสุขที่เกิดจากการทำความดีแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับความเดือดร้อนของทางร่างกายจะอดอาหารบ้างจะขาด แฟลนสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างจะไม่สามารถมากระทบกับใจที่มีความสุขได้ใจที่ทําความดีต่างๆเช่นเสียสละเวลาของตนทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นรับรับใช้ผู้อื่นเช่นไปรับใช้ผู้ที่มีพระคุณบิดามารดาท่านเดือดรอ้อนหรือท่านต้องการให้เราทําอะไร เราไปทําเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณก็จะทําให้จิตใจของเรามีความสุขหรือเรารักษาศีลห้าของเราไว้ให้ดีไม่ยอมที่จะทําให้ขาดศีลก็จะทําให้ใจของเรามีความสุขหรือถ้าเรามีเวลาเราไม่อยากจะทํางานอย่างอื่นเรามานั่งสวดมนต์ไหว้พระ ทำจิตใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้เกิดแสงสว่างก็จะทําให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขปัญหาต่างๆที่รุนเรารอบตัวเรามันจะไม่สามารถเข้ามาเหยียบยำ่ทำทําลายจิตใจของเราได้ปัญหามันก็อยู่ข้างนอกถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน เดี๋ยวมันก็จบของมันไปเองไม่มีอะไรที่ไม่จบเพราะไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเป็นปัญหาใหญ่มากอย่างมากมันก็ดับไปพร้อมกับร่างกายของเราคือเมื่อเราตายไปปัญหาต่างๆทั้งหลายมันก็หมดไปด้วย นะไม่ช้าก็เร็วพวกเราทุกคนก็ต้องตายเช่นเดียวกันแต่เราจะตายแบบไหนเราจะอยู่แบบไหนเราจะอยู่จะตายแบบวุ่นวายใจก้ม อ, อกก้มใจหรือเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจเราสามารถเลือกได้อยู่ที่การกระทาของเราคือความคิดของเราการพูดของเราการกระทาของเรา ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีใจของเราจะมีความสงบมีความสุขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของเราได้นี่คือวิธีที่เราจะสามารถเผชิญกับข้อกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้อง อย่าไปสะเดาะข้อกรรมด้วยวิธีการต่างๆเช่นไปบูชาราหุนไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมไปทําสะเดาะข้อกรรมด้วยวิธีการต่างๆที่เขานิยมกันบางทีเขาก็ให้ไปนอนในโรงศพให้ไปลอดใต้โบเปลีย่ยนนี้เป็นต้นมันไม่ได้เป็นการสะเดาะข้อกรรม แต่มันอาจจะทำให้ใจสบายขึ้นก็ได้ถ้าใจสบายขึ้นก็ทำไปก็ได้แต่อย่าไปคิดว่าเป็นการลบล้างข้อกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตวิธีที่จะลบล้างข้อกรรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการไม่ทำบาปทำกรรมในปัจจุบันนี้เท่านั้นถ้าเราไม่ทำบาปทำกรรม ในอนาคตมันก็จะไม่มีข้อรกรรมเกิดขึ้นเพราะข้อรกรรมต่างๆเกิดจากการทำบาปทำกรรมนั่นเองถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องหมั่นทำความดีในปัจจุบันถ้าเวลาทำก็อย่าไปเร่งรีบให้ผลเกิดขึ้นทันทันทีทันใด เพราะมันก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เวลาปลูกต้นไม้เราก็รู้ว่ามันไม่ได้ออกดอกออกผลให้ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ต้นไม้บางชนิดต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะเจริญเติบโตและออกดอกออกผลขึ้นมาได้การกระทำความดีบางชนิดก็ใช้เวลามากกว่าจะเกิดผลได้ บางชนิดก็ใช้ผลไม่ไมใช้เวลาไม่นานก็เกิดผลได้แต่ผลที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดก็คือความสุขใจถ้าเราทำโดยที่เราไม่มีความโลภความยึดติดกับผลที่จะตามมาทำไปแล้วก็ปล่อยให้ผลมันเกิดขึ้นของมันเอง แต่ตอนปัจจุบันนี้ขอให้เรามีความสบายใจก็พอถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำโดยไม่ได้มีความปรารถนาความต้องการผลตอบแทนจากที่จากผู้ที่เรากระทำด้วยเช่นเราทำความดีให้กับคนนั้นคนนี้ก็อย่าไปหวังให้เขาตอบแทนเราด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยการชมเชยเราก็ดีหรือด้วยการให้รางวีรางวัลแก่เราก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้แล้วเราก็จะเกิดความเสียใจได้หรือเราอาจจะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาก็ได้ที่เราทำบุญทาความดีให้กับเขาแล้วเขากลับไม่เห็นบุญเห็นคุณอย่างนี้เป็นต้น ทำความดีอย่าไปหวังบุญคุณเป็นสิ่งตอบแทนทำความดีเพื่อหวังความสบายใจความสุขใจที่จะทำให้ใจดีอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นได้เช่ <S <S ขนขณะนี้ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยอดยากขาดแคง แต่ถ้าเรายังมีกำลังที่จะทำความดีมีอะไรที่เราเสียสละได้เราเสียสละไปบริจาคให้ผู้อื่นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำไปแล้วใจของเราจะมีความสุขจะทำให้ไม่ทุกข์กับความอดอยากขาดแคลนหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ยิ่งถ้าเราทำจิตใจให้สงบได้ด้วยวิธีสวดมนต์ไหว้พระ ก, ก็ดีด้วยการนั่งสมาธิก็ดีหรือด้วยการเจริญวิปัสสนาปัญญาก็ดีเช่นพิจารณาว่าความทุกข์ยากต่างๆนี้เป็นผลของกรรมที่เราทำมาในอนดีตมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอด สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปหรือพิจารณาว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของเรานี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันเมื่อถึงเวลาก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายอมรับความจริงนี้แล้วใจของเราจะปล่อยวางจะไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องราวของร่างกายมันจะเจ็บ ใครได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บไปมีอยู่มียาก็กินไปมีหมอก็ให้หมอรักษาไปหายก็ดีไม่หายก็ดีถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจของเราจะสงบจะเย็นจะสบายถ้าเรายังคิดอย่างนี้ไม่ได้ยังตรงอย่างนี้ไม่ได้ก็ให้เราสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดมนต์ไปเรื่อยๆเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็สวดไปในใจไม่ต้องลุกขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายอย่าให้ใจกลัวว่าจะไม่หายกลัวว่าจะตายหรือคิดเรื่องราวต่างๆให้มันทุบไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมาทำใจให้สงบดีกว่า สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้ข้อสําคัญขอให้มีสติอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องต่างๆให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปสวดไปจนกระทั่งลืมเรื่องต่างๆไปหมดลืมเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยลืมเรื่องอะไรต่างๆไปหมดแล้วใจจะสบายใจจะมีความสุข ท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายแต่ความทุกข์ของร่างกายจะไม่สามารถมาทำลายความสุขของใจได้เลยนี่คือวิธีที่เราควรที่จะฝึกซ้อมกันเอาไว้เพื่อจะได้รับกับผลหรือวิบากของของกรรมของบาปต่างๆที่เราทำไว้ในอดีต ที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเรามีธรรมะนี้ไว้คอยดูแลรักษาใจของเราแล้วเวลาตกระกรรมำมลาบากตกทุกข์ได้ยากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาพัดธลากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายไปจะไม่ทำให้ใจ ของเราวุ่นวายจะไม่ทําให้ใจของเราเศร้าสศกเสียใจและขณะที่ยังไม่เกิดก็จะไม่ทําให้จิตใจของเราหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าเพราะเรามีเกราะคุ้นกันใจของเรานั่นเองก็คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วนำเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับขอให้เราคิดดีเพื่อเราจะได้พูดดีทดําดีเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีก็ขอให้เราพยายามดับมันเสียเช่นเวลาเกิดความโกรธขึ้นมา ก็ให้เราดับความโกรธด้วยการให้อภัยเวลาผู้ที่เขาพูดผู้อื่นพูดอะไรหรือทาอะไรแล้วทำให้เราโกรธแค้นแทนที่เราจะไปจองเวรจองกรรมจ้องทำร้ายเขาให้เราให้อภัยเขาเมื่อเราให้อภัยแล้วความโกรธแค้นนี้จะดับไปไฟ คือความรุ่มร้อนของจิตใจก็จะดับไปแต่ถ้าเราจองเวรจองกรรมก็จะทําให้ใจของเราร้อนขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นไปเวลาเราไปทําร้ายเขาแล้วเราก็ใจของเราก็จะร้อนขึ้นไปอีกเพราะเราจะต้องมีความหวาดกลัวที่จะต้องถูกเขาจองเวรจองกรรม กลัวเขาจะมาลอบทำร้ายเราแต่ถ้าเราให้อภัยเขาถือว่าเรื่องนี้ยุติแล้วเขาทำร้ายเราแล้ ว, ลวพูดไม่ดีด่าเราแล้ ว, ลวจบไปแล้วถือว่าเป็นการใช้กรรมไปก็บเรากันใช้หนี้เก่าไปเราอาจจะไปพูดหรืออาจจะไปทำอะไรที่ทําให้เขาโกรธแค้นขึ้นมา เมื่อเขาได้ระบายความโกรธแค้นของเขาแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกถ้าเราไม่ไปจองเวรจองกรรมกับเขาเรื่องก็จบใจของเราก็สงบเย็นสบายอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกันอย่าไปเอาแพ้เอาชนะกันถ้าจะเอาชนะเอาแพ้กันขอให้เอาแพ้เอาชนะกับใจของเรา เอาชนะความโกรธของเราให้ได้เพราะถ้าเราชนะความโกรธของเราได้แล้วเราจะมีความสุขถ้าเราแพ้ความโกรธเราจะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าสงสอนไม่ให้เราไปเอาชนะผู้อื่นเพราะการชนะผู้อื่นแม้จะชนะกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ตามมันไม่ได้ทำให้ใจของเรา มีความสงบหรือมีความสุขแต่กลับจะทำให้ใจของเรามีความทุกข์เพราะเวลาที่เราชนะผู้อื่นก็จะไปสร้างความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะตามจองเวรจองกรรมเราหรือถ้าเราแพ้เราก็จะจองเวรจองกรรมเขาใจของเราก็จะรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราเอาชนะความโกรธของเราชนะความอาฆาตพยาบาทของเราได้ด้วยการให้อภัยด้วยการเอาหสิแล้วใจของเราก็จะเย็นใจของเราก็จะสบายแต่เวลาที่ผู้อื่นเขาโกรธแค้นโกรธเคืองเราเราอย่าไปหวังให้เขาเอาหสิให้กับเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาหสิให้ได้หรือเปล่า ถ้าเขาเอาโหสิให้ได้ก็ดีไปถ้าเขาไม่อาโหสิก็อย่าไปเดือดร้อนอย่าไปกังวลคิดเสียว่าเมื่อเราไปทาเขาแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจใช้นี่เวลาที่เขามาถืองนี่ไปแต่ถ้าเขาเป็นคนดีเขามีธรรมะเขาได้สติเขาก็อาจจะให้อภัยเราได้เพราะเขา รู้ว่าการให้อาภัยนี้ดีกว่าการจองเวรจองกรรมนั่นเองดังนั้นเมื่อเรามีปัญหากับคู่อะไรอย่าไปต่อแยอย่าไปตอบโต้อย่าไปหวังอะไรจากเขาพยายามทำใจของเราให้นิ่งเฉยทาการกระทาของเราให้นิ่งเฉยอย่าไปต่อกรอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรม เดี๋ยวไม่นานเขาก็จะหยุดไปเองเหมือนกับเวลาที่เราโกรธแล้วเราไปด่าฝาผนังอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปด่าฝาผนังอยู่สักพักหนึ่งแล้วฝาผนังมันไม่ตอบโต้อะไรเราก็จะเหนื่อยไปเองหยุดไปเองฉันใดเวลาพูดอื่นเขาโกรธแ้่โกรธเคืองเราแล้วพยายามกระทำ สิ่งต่างๆกับเราแต่เราไม่ไปตอบโต้เรานิ่งเฉยถ้าเราหลบได้ก็หลบถ้าหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ก็ให้ใช้ความอดทนใช้ขันติใช้เอาโหสิกัมใช้การให้อภัยทำใจของเราให้สุขให้สบายเมื่อใจเราสุขสบายแล้วเขาพูดอะไรทำอะไรนี้ จะไม่สามารถมาทำลายความสุขในใจของนราได้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติกับพระเทวทัตก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดพระเทวทัตสคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถฆ่าได้เพราะพระพุทธเจ้าสงสอนคนที่มาฆ่าว่าการฆ่านี้เป็นบาปเป็นกรรมฆ่าแล้วตกนรก ไม่คุ้มกับเงินที่เขาจ้างมาเขาก็ไม่ข่าพระพุทธเจ้าพอพอทำอย่างนี้ไม่ได้พระเทวทัตก็เลยส่งช้างปล่อยช้างออกมาให้ทำร้ายพระพุทธเจ้าช้างก็พอเจอพระพุทธเจ้ายืนนิ่งเฉยแผ่เมตตาช้างก็ไม่สามารถทำอะไรได้ช้างก็หยุดไม่ทำอะไรกับพระพุทธเจ้า ในคำที่สามก็เลยอุตส่าห์ขึ้นไปบนภูเขารอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาแล้วก็กลิ้งก้อนหินลงมาเพื่อจะทับพระพุทธเจ้าให้ตายแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพียงแต่สะเก็เหินทำให้รอยพระบาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นแผลนิดหน่อยเท่านั้นเองนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าใช้ กับกา ร, รเผชิญกับมาต่างๆถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาถ้าใช้ความเมตตาได้ก็ใช้ความเมตตาถ้าใช้ไม่ได้ก็ให้ใช้อุดเบกขาทำใจให้นิ่งเฉยให้ปล่อยวางให้ตรงว่าเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันแต่ขอให้ตายแบบดีศีลมีธรรมดีกว่าตายแบบผิดศีลผิดธรรม พอตายแบบผิดศินติดธรรมจะต้องไปใช้กรรมในนรกต่อไปถ้าตายแบบผิดศิษฐถถ้าตายแบบรักษาศีลได้ครบบริบูรณ์ก็จะไปสู่สุคติไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือไปเป็นพระอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมหลักของกรรมเป็นอย่างนี้อยู่ที่การกระทาของเรา ไม่มีใครสามารถมาส่งเราไปนรกได้ไม่มีใครสามารถส่งเราไปสวรรค์ได้ไม่มีใครสามารถส่งเราไปพระนิพพานได้มีแต่การกระทำของเราเท่านั้นที่จะส่งเราไปได้ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะไปสวรรค์ไปไปสู่สุขคติไปสู่พระนิพพานถ้าเราทำบาปทำกรรมเราก็จะไปนรก ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะมาปลดเปื้องกรรมของเราได้นอกจากตัวของเราเองจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างกรรมดีไว้ให้มากๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้สร้างกันถ้าเราทำได้เท่ากับพระพุทธเจ้า เท่ากับภาษาโลกแล้วเราก็จะตัดกรรมได้หมดเราก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้มดไม่ต้องไปใช้เวรยใช้กรรมอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป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 โดยทั่วหน้าตารเธอ